ยี่ยงดีแล้วนะเยังรู้สึกไหมว่าง่ายมากเลยจริงๆแล้ง่ายแสนง่ายง่ายแค่นี้แต่กว่าจะเข้าใจนี่นะยากมากเลยเพราะมันฝืนความรู้สึกเยอ ะ, ะการศึกษาธรรมะนี่มันฝืนความรู้สึกอย่างเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะมองออกข้างนอกตลอดพอลืมตาร้องหูแว่ก็ดูข้างนอกนะดูแต่ของข้างนอกเราไม่ดูตัวเอง งั้นการจะรย้อนมาเรียนตัวเองนะเลยกลายเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่คุ้นเคยเลยพอเราจะมาเรียนเรื่องตัวเราเองอีกเราก็คุ้นกับการหาความรู้ด้วยการคิดคิดเอาด้วยการนั่งจ้องนั่งอะไรอย่างนี้หางานทำอะไรที่เยอะแยะด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดเราไม่คุ้นเลยกับการที่จะรู้เอางั้นการเรียนธรรมะก็เลยยากมันฝืนความรู้สึกเยอะ ที่จริงแล้วง่ายๆนิดเดียวนะแค่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้ได้เท่านั้นร้อนไหมตรงนั้นร้อนมานนั่งข้างหนก็ได้นะทังนั้นร้อนคือการปฏิบัติทมที่ง่ายๆนะถ้าไม่คิดมากนะเอาแบบง่ายที่สุดเลยก็ให้เราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเราเองไว้ จ, จิตใจมันมีความรู้สึกยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเท่ารู้อยู่เท่านี้ยังได้เลยเพื่อนในเบื้องต้นจะเห็นว่าใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราปฏิบัติไม่เพื่อจะให้เห็นว่า จ, จิตใจเป็นของเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นของเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งไม่ต้องไปฝึกให้นิ่ง แต่ฝึกรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้ความเคลื่อนไหวไม่เอานะอย่างนี้ไปทำให้มันซึมไม่เอารู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้จริงๆอย่าไปแกล้งทำให้มันชื่อชื้นซึมซึมเพลินเพลิไม่เอาอรู้สึกตัวอพ่างนั้นไม่ใช่รู้สึกตัวนะอย่างนั้นถลำลงไปดูแล้วส่งใจเข้าไปดูอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ เยรู้สึกตัวอยู่ตรงข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้หลงเข้าข้างในนะหลวงปู่ ด, ดูลย์สอนง่ายๆบอกอยากส่งจิตออกนอกคืออย่าส่งใจของเราไปทางไหนไม่ส่งไปข้างนอกไม่ส่งไปข้างในด้วยจิตใจของเราชอบส่งไปเรื่อยๆเจ้าของไม่เคยเห็นเลยว่าใจแอบหนีไปอย่างเนี้ยมันหนีไปละพอจะดูออกไหมเนี่ยเอออย่างนี้เก่ง ไ, ได้ ค่อยๆฝึกอย่างเนี้อ่านใจของเราเรื่อยๆพอเราเผลอเนี่ยใจเราก็จะไหลไหลไหลไหลไปความทุกข์ทั้งหมดทางใจเกิดตอนเผลอนี่แหะตอนที่ใจเราไหลไปกิเลสทั้งหมดเลยเกิดตอนที่ใจเราไหลไปถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมมาสมาธิเนี่ใจตั้งมัน่นรู้เนี้ยรู้ตัวอยู่ใจจะผ่องใสเบิกบานอย่างนี้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้บุญใหญ่ที่สุด นะใหญ่กว่าสร้างวัดทั้งวัดหนึ่งอีกเพราะบุญอะไรที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญอะไรที่ล้างกิเลสได้นี่เป็นบุญใหญ่เอาเงินไปถวายพระไปทำโน้นทำนี้นะ่ก็ได้บุญเหมือนกันแต่อันนี้เยอะกว่าเยอะเลยเพราะนี่เราลดกิเลสได้เราเห็นเลยว่าความทุกข์ในใจเราลดลงได้จริงๆนะดีแล้วเราทำได้อย่างนี้ใจนี้ไปคิดลทราบไหม อ, อย่างนี้นะ ง่ายๆไม่มีอะไรคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยใจเราหนีไปก็รู้ทันหนีไปก็รู้ทันไม่ห้ามอย่าไปจ้องไว้ก่อนส่วนใหญ่พวกเรานักปฏิบัติพอคิดถึงการปฏิบัติเรานั่งเฝ้านั่งจ้องกลัวว่าใจจะหนีไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาอย่างนั้นเครียดห้ามจ้องทำไมถึงห้ามจ้องเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแลพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้ใจเร า, น, เรานีไปแล้วอ้อหนีไปละเนี่ยตามรู้นีหนีไปละทราบไหม เออเก่งถ้าให้ได้อย่างนี้ทำได้เรื่อยๆทำเนืองๆนะเอี้ยงก็อย่าน้อม้าไปหาความซึมข้างในนะนั่งสมาธินั่งได้แต่นั่งรู้สึกตัวไม่ส่งใจไหลเข้าข้างในนะรู้สึกตัวนะไม่คิดเอาคอรู้เนื้อรู้ตัวไม่เอาแม่ซึมห้ามซึม เขาคอยรู้รู้ความรู้สึกนะความรู้สึกของเราเปลี่ยนทั้งวันในนี้ดูออกไหมเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วอย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้ตอนนี้กับตอนที่มาถึงวัดใหม่หมๆก็ไม่เหมือนกันจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงนี่ให้เราคอยรู้ว่าเออมันเป็นของเปลี่ยนแปลงถ้าเราคอยรู้ว่าเออจิตใจเราเป็นของเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่อไปเวลาความสุขมานะเราไม่หลงละเริง เดี๋ยวมันก็ไปพอมันไปแล้วก็ไม่ข้ามครวญเพราะรู้ว่ามันต้องไปอ่นะงานเลี้ยงทั้งหลายต้องเลิกลาไม่เสียใจพอความทุกข์มากไม่ทุรนทุรายรู้เดี๋ยวมันก็ไปอีกเหมือนกันในจิตใจเราจะค่อยเป็นกลางค่อยตั้งมั่นขึ้นมองโลกตรงความเป็นจริงคือโลกนี้เปลี่ยนแปลงเรามองโลกตรงความเป็นจริงเราเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละ นั้นเวลาเรากระทบความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานี่นไม่ทุรนทุรายอะไรนะไม่ไม่โดนไม่ฝึกเพื่อจะละความทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละความทุกข์ท่านบอกให้รู้ทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยทุกข์มันอยู่ที่ไหนหทุกข์อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะคนมาใหม่ๆฟังซ้อมกันเลยก็ได้ความทุกข์อยู่กับกายกับใจเท่านั้นนี่นั้นเราอยากเรียนรู้ทุกข์ก็คือให้เราคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจของเรา ดูซิทุกกายมันเกิดได้ยังไงทุกใจมันเกิดได้ยังไงนี่เรียกว่าคอยรู้ทุกเราจะรู้เลยทุกกายเนี่ยอย่างนั่งอย่างนี้เดี๋ยวก็เมื่อยนั่งคัตมาศก็ได้นะนั่งให้สบายไม่เกี่ยวกับท่านั่งเลยนะการปฏิบัติอยู่ที่ใจความทุกอยู่ที่กายเนี่ยถ้าเรารู้สึกไปเรื่อยเราไม่ใจลอยนะเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วความเมื่อยเกิดขึ้ น, นะ เ, นเนี่ยเห็นเหน็บเป็นอะไรเงี้ยเมื่อย พอเราเปลี่ยนอิยาบถนะสบายขึ้นรับความทุกข์หายไปอีกประเดี๋ยวหนึ่งความทุกข์ตามมาอีกแล้วนี่แค่เมื่อยเนี่ยยังต้องเปลี่ยนอิยาบทหนีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวหิวละทานข้าวไปอิ่มนะสี่ห้าชั่วโมงหิวอีกแล้วทานอีกแล้วเดี๋ยวหิวอีกแล้วความทุกข์มาเรื่อยๆนี่เราสังเกตอยู่ในกายเราอ๋อมันทุกข์กายทุกกายนี่เป็นทุกข์ตามธรรมชาติคือมันมีกายมาแล้ว ถ้าพูดภาษาแขกหน่อยให้ฟังดูเป็นธรรมะธรมโมหน่อยก็บอกกายมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเก่าหมายถึงมันเกิดมาแล้วอ่ะมันก็ต้องรับผลคือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหิวต้องหนาวต้องร้อนนะต้องกระหายกระสับกระส่ายต้องเจ็บปวดต่างๆี่ถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปเห็นกายโอ้กายจริงๆไม่น่าอภิรม์เท่าไหร่หรอกอย่างเราต้องหนีความทุกข์ตลอดเวลานั่งเฉยๆเดียวก็คันใช่ไหม แต่ปกติเราคันเราเกาเลยเับไม่รู้หรอกไม่ทันเห็นทุกข์เลยเก่าไปเรียบร้อยนะหายทุกข์ไปแล้วลืมไปแล้วเมื่อย ก, ก็ขยับตัวไปละ้ะดูทุกข์ไม่ทนันทุกข์หนีไปหมดแล้วนี่ถ้าเรามีสติอยู่เราจะเห็นโอ้มันทุกข์ทั้งวันในกายนี้นี่มาทางใจทุกข์ทางกายเนี่ยถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะทําใจได้รู้ว่ามันธรรมดาหนีไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าง่วงก็ไปนอนซะถ้าหิวก็ไปทานข้าว ปวดท้องก็ไปเข้าห้องน้ำํำซะไม่สบายก็ไปหาหมอซะทุกทางกายแต่ทุกทางใจเนี่ยถ้าเรามาเฝ้าสังเกตอยู่ที่ใจเราเราจะรู้เลยว่าทุกทางใจเกิดจากอะไรทุกทางใจเนี่เกิดจากใจเราเนี่ยหลงไปก่อนต้องหลงก่อนพอหลงลงไปแล้วก็จะไหลเข้าไปข้างในไปปรุงแต่งไปคิดนึกปรุงแต่งไปทํางานปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มอึดอัด พอหลงเข้าข้างในเมื่อไหร่ก็เริ่มอึดอัดให้มนแนี่พอไปทำงานทางใจนี่ตามความอยากทำแล้วไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการยิ่งทุกข์ซ้าซ้อนเข้ามาอีกนี่คนทั่วๆไปก็จะรู้แต่ว่าถ้าไม่สมอยากแล้วจะทุกข์นี่เป็นความทุกข์ที่ที่ปลายๆหน่อยนะ้วอันนี้ดูง่ายเช่นจะจีบสาวสักคนนึงกลัวเขาไม่เอาด้วยเนี่ยก็ทุกข์ใจถ้าเขาปฏิเสธเลยยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก ี่จะมองว่าถ้าไม่สมหวังเราจะทุกข์ความจริงการที่ใจตั้งความคาดหวังขึ้นมาใจเริ่มดิ้นรนน่ะจริงจิงเริ่มทุกข์หน่อยหน่อยทุกข์นิดนิดถ้าเรารู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกไหมมันโล่งๆว่างๆแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยใจเราจะเริ่มหมองมัวมัวมัวหนักหนักแน่นแน่นเครียดขึ้นนิดนิดเนี่ยแค่เริ่มหลงนะหลงเข้าข้างในหลงไปปรุงแต่งความรู้สึกภายใน ใจก็จะแข็งแข็งเครียดเครียดหนักหนักขึ้นมาเนี่ทุกเล็กทุกน้อยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราสติปัญญารู้ทันอ๋อถ้าเมื่อไรจิตมีความทยานทยานเข้าไปทยานเข้าไปยึดอารมณ์ภายในแล้วก็จิตจะมีความทุกข์นี่ตัณหานี่เองเป็นตัวที่ทําให้เกิดทุกข์ความทยานอยากของจิตเข้าไปเกาะอารมณ์ไม่นี่ไปเกาะแช่อยู่ไม่ได้นะถ้าเราลงไปนอนแช่เราจะไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่เพราะมันเคยชิน คล้ายๆที่เล่าเมื่อเช้าเหมือนปลูกบ้านอยู่ข้างกองขยะไม่เหม็นนะเพระฉะนั้นต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้พอจิตไหลเข้าข้างในนิดเดียวจะเห็นว่าทุกข์นะเพรนั้นเริ่มต้นเราต้องรู้สึกตัวเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสอนการปฏิบัติถึงเริ่มต้นบอกให้มีศีลตัดเครื่องรุงรังทางใจออกไปให้มีสมาธิคือความรู้สึกตัว น, นั่นเองมีจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อ ร, รู้ตัวไม่หลงไม่ไหล ให้รู้สึกตัวขึ้นมาหลังจากนั้นถึงจะเกิดปัญญาคือพอเรามารู้กายอ๋อกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองใจล่ะใจเนี่ยถ้าเราหลงไปเราเสลอไปเราหลงเ ข, เข้าปรุงแต่งความทุกข์เกิดนี่ปัญญามันเกิดรู้ว่าทุกข์เป็นยังไงทุกข์เล็กทุกน้อยทุกใหญ่ทุกเล็ ก, กนีกกเก่เห็นหมดนะเหตุแห่งทุกข์ก็เห็นพอเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจจะไม่ไหลเข้าไปไม่หลงเข้าไปเพราใจฉลาด รู้ว่าถ้าหลงเข้าไปข้างในเราทุกข์ใจก็ไม่หลงเราไม่ต้องไปบังคับเข า, าเ้าฉลาดเมื่อไหร่เขาไม่เข้าไปหรอกเห็นไหมเขาจะคอยชมเลืองเข้าไปเรื่อยๆแล้วเขายังเห็นทุกข์ไม่พอนี่นอนแช่เลยไม่เห็นทุกข์หรอกห้ามนอนแช่นะนี่เราคอยสังเกตสภาวะนะสภาวะก็คือกายกใจคอยรู้ทันไปเรื่อยๆ เห็นว่าร่างกายมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าหยุดนิ่งแล้วมันทุกข์จิตใจล่ะจิตใจถ้าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วมันทุกข์มันกลับกันนะร่างกายเนี่ยถ้านิ่งๆแล้วทุกข์จิตใจอะถ้าหลงไปทำงานแล้วทุกข์กลับข้างกันงั้นใจยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังร่างกายนิ่งนี่ยิ่งกับตกเกิดเลี้ย ใจลอยเถารู้ไหมรู้จักใจลอยไหมเนี่ยเราจะหักปฏิบัตินะปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้สภาวะแล้วเราหักสังเกตสภาวะเช่ในใจลอยอ่อนใจลอยเป็นอย่างนี้นะโลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้กลัวเป็นอย่างนี้กังวลเป็นอย่างนี้หักดูไปเรื่อยๆต่อไปตัวไหนปรากฏขึ้นมาสติจะเกิดเองเลยคือจะรู้ทันทันทีที่รู้ทันจิตจะตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมา ใจจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี้ยผ่านไปหมดเลยแล้วถ้าเมื่อไรจิตถลําเข้าไปยึดถือจิตก็จะทุกข์มันจะเห็นปัญญามันจะหลายชั้นซ้อนกันอันแรกเลยเห็นมันเกิดดับไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นใจรักความสุขมาแล้วไปความทุกข์มาแล้วไปนี่เห็นใจรักต่อมารู้ว่าทุกอย่างมาแล้วถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ทุกข์ด้วยนะนี่เห็นอริยสัจละ ปัญญามก็ค่อยๆพัฒนายังกินข้าวแล้วหลับไปแล้วอยู่นั่งหลับตาร <c oughs> ิมตาไว้ยิ้มสู้โลกไว้บอยวันนี้กล้าหาญในยภาวนาดีเลยกล้ามานั่งหน้าเลยโยเป็นไงบ้างยังอิดอัดไหม <c oughs> ยังดีนะมีบ้างไม่มีตลอด เมื่อก่มีสลอดสลอดเวลาที่คิดถึงการปฏิบัติทุกเราไปบังคับใจให้นิ่งๆเธ อ, อไปละทราบไหมเออเก่งเนี่อย่างเนี้ยนะเราบังคับไม่ได้เห็นไหมธรรมะเนี่ยแสดงให้เราเห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้คําว่าบังคับไม่ได้นั่นแหละพาะไสาแข็งว่าอนัตตาเนี่ยพอเราเห็นของจริงเนี่เราจะรู้เลยบังคับไม่ได้ ถ้ารู้ลงไปพอเห็นว่ากายก็บังคับไม่ได้ใจบังคับไม่ได้เนี่ยเราละความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราได้สักยติที่ขาดเหมอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะเป็นผู้ไม่หลงผิดอีกแล้วงั้นธรรมะไม่ใช่ยากอะไรคอยรู้ให้ทานรู้สภาวะไปได้แล้วสภาวะเขาจะแสดงธรรมะให้เราดู อ, อย่างนี้เริ่มเห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้ถูกต้องเลยถ้าเห็นว่าบังคับได้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยไปบังคับให้มันนิ่ง สามวันสามคืนมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะดูไปดูมาอ๋อจิตเที่ยงเห็นไหมพวกดือสีชีพไทยอะ่ะไปบังคับมันจนมันนิ่งเสร็จแล้วก็เลยหลงผิดว่าจิตมันเที่ยงจิตเป็นอัตตาอาัตามันเวลาตายแล้วอาัตามันไปรวมเข้ากับปรมาตมอะไรนู่นไปโน่นเพอเริ่มต้นผิดนั่นแหละเริ่มต้นเป็นนอนแช่ออต้องรู้สึกนะอย่าลงแช่มีอาเป็นไงบ้าง วันนี้เอาเป็ดไปไว้ไหน <c oughs> เป็ดมันตื่นเช้าไม่ค่ยเป็น <c oughs> แล้วเขาเรียนอะไรด้อ๋อเนี่ยสังเกตนะใจเราหนีแวบแวบบังคับไม่ได้นะเรียนเพื่อให้เห็นว่าบังคับไม่ได้นี่ถูกต้องที่สุดเลยนะนี่พอเราสามารถรู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปเราทําสติปัฏฐาน คือพอเรามีสติเป็นรู้สึกตัวเป็นเราก็ทําสติปัฏฐานเป็นเครื่องกระตุ้นให้ความรู้สึกตัวเกิดบ่อยๆวิธีทําสติปัฏฐานก็คือหาอารมณ์มาสักอันนึงมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตนะคล้ายๆมาเป็นบ้านให้จิตอยู่เวลาไม่รู้จะรู้อะไรก็มารู้วันนี้อาจจะเอาร่างกายเราก็ได้เราพยักหน้าเนี่ยเราก็คอยรู้สึกตัวนะแต่เดิมเราพยักหน้าไปเราเผลอไป แต่ทีนี้เราตั้งใจไ้เลยพอพยัยหน้าเรารู้สึกตัวเราขยับตัวเราจะคอยรู้สึกแต่ไม่บังคับนะไม่ใช่แกล้งช้าๆอย่างงี้ไม่เอาแล้วอย่างนั้นหลงหมดอ่ะหรือจะใช้รู้ความสุขความทุกข์ก็ได้แถ้าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นสมมติว่ามันคันตรงนี้มีสติคันเรารู้สึกตัวก่อนจะเกาคอยรู้สึก ความสุขความทุกข์หรือจะรู้กุศลอกุศลในจิตก็ได้นะเอาอะไรสักอันหนึ่งก็ได้อาตมาตอนฝึกเนี่ยจะดูที่จิตถ้าจิตมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่าคอยรู้ไปเรื่อยๆต่อมาเราเผลอเราเห็นเพื่อนมาเราดีใจ เ, เห็นเพื่อนเรามาพอความดีใจเกิดเนี่ยสติรู้ทันความดีใจนี่เรียกว่าจิตตานุปัสนามีบางคนถนัดกายก็รู้กายนะ ร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินนั่งนอนนะกระดูกกระดิกเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเราเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้สติเกิดบ่อยๆคือหาอะไรมาเป็นหลักเป็นเครื่องกระตุ้นตัวหนึง่งหลวงพ่อเทียนใช้ขยับมือหลวงพ่อเทียนเรียกว่าเขย่าวธาตรู้คือพอเราฝึกอย่างนี้ยฝึกแล้วขยับไปแล้วรู้สึกตัวไป ต่อมาเราเผลอเนี่ยเราไม่ได้ขยับตามจังหวะอย่างนี้แล้วเราเผลอพอเห็นเพื่อนมาจะขยับจะวิ่งไปหาเขาเนี่ยสติมันเกิดเลยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยทําไปโดยมุ่งหวังว่าสติจะเกิดบ่อยๆเฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือให้สติเกิดบ่อยๆถ้าสติเกิดบ่อยๆนะเราก็จะสามารถเรียนรู้สภาวธรรมได้เยอะเห็นได้บ่อย อ่านจิตอ่านใจตัวเองได้บ่อยง่วงไหมหนูนาอะไรนะ อ, อ๋อเหรอมันไม่เที่ยงเนาะเราไปขยับมันยังแล้วไปขยับจิตหเนี่ยใจเราหนีแวบดูอไหม <c oughs> พี่อาไม่ใอนี่เมื่อกี้หนีนกัน เนี่ยนะหลงไปละหลงไปดูละหลงไปชำเรืองรีบรู้ทันไปโยโยไปเที่ยวไหน <c oughs> ดูออกไหมไอ้โรดีจริงๆล้องง่ายง่แค่นี้นะแล้วเสร็จแล้วคุณธรรมฝ่ายดีมันเกิดขึ้นเองศีลสมาธิปัญญาอะไรมันเกิดเองแล้วทันทีที่เรารู้สึกตัวเรามีความสุขทันที งั้นการที่เราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนต้นต้องลําบากนะแล้วไปสบายทีหลังเนี่ยไม่ใช่นะถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้สึกตัวเป็นที่มีความสุขทันทีเลยเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะมีแต่เวทนาที่ประเภทสมนัสเวทนาเบิกบานใจกับอุเบกขาถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วเครียดเครียดมีโสมนัสเวทนาราผิดเลยนะนั่นเป็นอกุศลนะ งั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกครั้งที่เรามีสติเราก็มีความสุขได้ในะความสุขไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไ mm. งยโยใจไปทำอะไรอย่าจริงจังแก้งทำเนะี่ยตั้งใจทำเนะี่ยไม่เอานะทำเล่นๆเลยเมื่อกี้ขยับไม่ได้ตั้งใจทำไมไม่รู้เลยพี่ตาตอนนี้แหมทำเป็นรู้นะแต่ตอนอย่างนี้ไม่รู้ อีตามที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละรู้ไว้นะต้องง่ายๆจะเบาๆถ้าเมื่อไรใจหนักๆเนี่ยผิดนะหยุดเลยทําผิดแล้วทา ผ, ผิดแล้วห้ามขยันนะขยันแล้วไปไกลนะที่อาใจหนีไปเที่ยวรู้ไหมเอ้แป๊บๆถูกต้องนี่ให้รู้อย่างเนี้ยเ้าหนีไปแล้วเรารู้แป๊บๆแป๊บๆไอาจารย์สุรวัตรสอนอะไรให้มั่งไหม หัดสังเกตสภาวะนะอันแรกเลยเราต้องสร้างความรู้สึกตัวให้ได้ก่อนคือทําจิตให้ตั้งมั่นเสียก่อนจิตทําวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าจิตสิกขา น, นี่ยนี่ก่อนจะไปเจริญปัญญาสิกขาเคยได้ยินใจสิกขาไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะเรียนไปตามลําดับยังจิตสิกขาคือทํำยังไงใจเราจะตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาได้ วิธีการง่ายๆคือให้คอยสังเกตเวลาที่เราหลงเนะี่ยหลงกับตั้งมั่นเนี่ยกลับข้างกันอย่างใจหลงเป็นต้นว่าเราไปเห็นคนเขาเดินมาเราไปมองเขาในขณะนั้นที่เรามองเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองลืมอ่านใจตัวเองนี่เรียกว่าหลงเคยเป็นไหมอย่างเห็นคนเดินมาเราดูเขาเราลืมตัวเราเองไปเลยเห็นแต่เขาจะไม่มีเราอย่างนี้เรียกว่าเหลงละ นี่หลงดูเวลาเราฟังสมมติว่าเพื่อนข้างๆโต๊ะเราเนี่ยแอบมานั่งคุยกันที่ทํางานเราแอบสงสัยมันนินทาเราเราตั้งใจฟังเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเราลืมตัวเราเองละเราลืมกายลืมใจของเราเองวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไหรเราลืมกายลืมใจเรียกหลงเพราะงั้นอย่างเวลาเราฟังเขาคุยกันเนี่ยเรารู้เรื่องที่เขาคุยกัน แต่เราลืมกายลืมใจของตัวเองก็เรียกว่าหลงเราเห็นคนเดินมาเรารู้หมดเลยใครมาเรารู้หมดเลยผู้หญิงมาผู้ชายมาอะไรเงี้ยแต่เราลืมกายลืมใจของเราเองก็เรียกว่าหลงเวลาเราคิดคุณสังเกตไหมเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแม้แต่เราลืมกายลืมใจนึกออกไหมเวลาคิดน่ะเราลืมกายลืมใจตัวเองตรงนี้ดูออกไหมเห็นไหม ลืมกายลืมใจแล้วดูออกไหมตรงเนี้ยเวลาเราคิดนะเราเรียนรู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายลืมใจของเราเองลืมความรู้สึกในใจของเราเห็นไมตรงอย่างตรงเนี้ยลืมดูแล้วใช่หไหมลืมว่าความรู้สึกเป็นยังไงนี่เรียกว่าหลงนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่ากําลังหลงอยู่ความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะงั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นเนี้ยเรารีบรู้สึกตัวบ่อยๆ ให้จิตมันรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาบ่อยๆพอจิตตั้งมั่นอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวนี้เราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจได้การที่เรารู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาละ่ะอย่างนี้คิดแล้ใช่ไหมดูออกไหมขณะนี้เราลืมตัวเราเองแล้วลืมกายลืมใจใจสงสัยให้รู้ว่ากำลังสงสัยรู้ไปที่ความรู้สึก ดูออกไหมหนีพิจิดต์ละลืมรู้สึกลืมความรู้สึกยค่อยๆสังเกตนะคือถ้าเราดูสภาวะไม่ออกเราทํำวิปัสสนาไม่ได้เจะได้แต่แค่สมถะเพราะสมถะนี่รู้แค่อารมณ์บัญญัติวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะเห็นอารมณ์ปารมามัดจริงๆเมื่อกี้ทาอะไรทราบไหมเมื่อกี้จิตใจหนีไปทําอะไรทราบไหม คิดรู้ว่าคิดนะสังเกตไหยตอนที่เราคิดเมื่อกี้เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมนี่เราลืมกายลืมใจเพราะงั้นเราคอยรู้สึกตัวอย่าหลงนานให้หลงแวบไปเราห้ามไม่ได้หรอกจิตเขาจะหลงเราห้ามไม่ได้แต่ว่ามันไหลไปแล้วรีบรู้ไวๆรู้สึกตัวบ่อยๆเบือนะเ้องต้นต้องต้องหักรู้สึกตัวให้ได้เมจิตตั้งมั่นแล้วถึงจะเจริญปัญญาได้เป็นไงบ้าง เนี่ยใจเราหนีไปทราบไหมหนีแว บ, บไปเนี่ยพยายามสังเกตอยู่ทราบไหมค่อยๆดูตัวสภาวะนะต้องเห็นสภาวะรือจะทำหิปัฒนาได้สมถะททำง่ายสมถะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ใจจ่ออยู่กับลมมันเดียว ใจไม่มนีไปเที่ยวนี่ทําสมถะเดี๋ยวทำนิพพสนาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากายของเราก็ไม่คงที่จิตใจก็เปลี่ยนแปลงนี่เราจะรู้ว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เราก็ต้องไม่เผลอไปอย่างเราเผลอไปดูคนอื่นเล้วเนี่ยเราก็ลืมรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเผลอไปฟังก็ลืมรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเผลอไปคิดก็ลืมรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจ เจ้าตาลหายอย่างคุณเลิศมันเจ็บด้วยนะรู้สึกไหมอย่างตอนนี้จิตใจไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วเขาจะรู้สึกไหม ให้หัดสังเกตความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะใจเราไม่เหมือนกันแต่ละขณะแต่ละขณะมันเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าสิ่งเร้าเช่นตามองเห็นรูปเนี่ยรูปเป็นสิ่งเร้าอันหนึง่งเห็นรูปสวยใจก็ชอบให้รู้ทันใจเราไม่คงที่และใจชอบเห็นของไม่สวยใจไม่ชอบเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใจ อ้าตกใจเลยบ่อยเออรู้สึกเป็นอย่างนั้นอาใครมีอะไรจะถามเชิญ <c oughs> อืม ว, วิวิปัสนาจะไม่ทำอย่างนั้นวิปัสนาเนี่ยนะอยากได้รู้ว่าอยากได้ เสียใจรู้ว่าเสียใจเราจะคอยดูไปความอยากได้เนี่ยคงที่ไหมนั่งดูไปซื้อมันเที่ยงอยู่อย่างนี้อยากได้ตลอดเวลาดีกรีของความอยากได้เนี่ยเข้มข้นคงที่ไหมเข้ารู้ไปหรือความเสียใจเกิดขึ้นเนี่ยนั่งดูไปความเสียใจนี้คงที่หรือไม่คงที่มันเป็นแค่ความรู้สึกกันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่หัดดูอย่างนี้นะ เพราะงั้นมันจะไม่เกี่ยวกับาการนั่งคิดนั่งวิเคราะห์การนั่งคิดนั่งวิเคราะห์เป็นวิธีแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งแบบโลกโลกแต่นี้เราต้องการเรียนให้เห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนแปลงงั้นเป้าหมายของการเรียนไม่เหมือนกันอย่างเรากลุ่มใจนะในทางโลกเนี่ยพอกลุ่มใจแล้วต้องหาทางทาให้หายกลุ่ม ทำไมวิธีทําให้หายกลุ่มทําได้หลายอย่างเช่นไปดูหนังฟังเพลงก็ได้นะกลุ้มใจเพราะว่าเกลียดไอ้คนนี้มากเลยไปฆ่ามันให้ตายจะได้หายกลุ่มอย่างเงี้ยมีวิธีเยอะแยะหรือนั่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะภาวนากลุ้มหนอกลุ้มหนอไม่ให้มันคิดเดี๋ยวก็หายกลุ่มเพราะงั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้หายกลุ่มนะแต่วิวปัสสนาจะไม่ทําอย่างนั้น นี่ปัสัสนา จ, จะดูลงไปที่ความรู้สึกกลุ่มจะเห็นเลยว่าจิตใจแต่เดิมเนี่ยไม่กลุ่มต่อมาความกลุ่มก็แทรกเข้ามาเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปในสุดความกลุ้มก็ผ่านออกไปจะเห็นเลยว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านเราสบายๆเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเขาผ่านมาแล้วผ่านไปเราไม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องไปชวนเขาเพนนความกังวลใจเกิดขึ้นรู้ว่ากังวล ดูลองไปใลความกังวลนี้ถูกรู้เป็นของถูกรู้ถูกดูใจที่ไปรู้ความกังวลนั้นไม่เคยกังวลเลยค่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆเผลอไปคิดตั้มไหมนี่หัดรู้อย่างนี้ใจมันเผลอไปคิดก็รู้ว่าเผลอไปคิดใจมันซึมตั้มไหมใจมันเริ่มซึมซึมพอจะดูออกไหมซึมเมื่อเทียบกับเมื่อกี้ เนี่ยให้หัดสังเกตความเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยต่อไปเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ผ่านมาแล้วผ่านไปไงคุณปลางใจลอยแล้วคุณใกลก็ใจลอยเหมือนกันเนี่ยใจเราหนีไปดูออกไหมหนีแวบไปที่อื่นลืมตัวเราเองยหัดสังเกตยอย่างเนี้ย ต่อไปจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอ่านกายอ่านใจออกเรียกทำนี้ตัสนาได้เยี่ยงไปอ่านเรื่องอะไรเขาล่ะผมรู้เรื่องมันอยู่ในบทความเรื่องอะไร อ่เรารู้เรื่องก็ยังดีเนาะนี่ฉันทำไม่ได้สักทีเยี่ยงนี่ยนะเป็นคนที่หลวงพ่อรู้มากเลยเราไม่ค่อยสบายถ้าทำได้เรามีใจของเราเป็นที่พึ่งอพี่อาขึ้นมาไม่เข้าไปข้างในนันดูออกไหม นั่นแหละมันหลงเลยกิเลสมันสนุกนะไม่หลงเข้าไปรู้สึกตัวไว้อาคุณโอตื่นตื่นอย่าท้อแท้ใจนะเรียนธรรมะอย่าท้อใจถ้ารู้สึกท้อรู้ว่าท้อนะง่ายๆ่ายรู้สึกเบื่อรู้ว่าเบื่อ อย่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยพอเรารู้สึกขี้เกียจนะรู้ว่าขี้เกียจเด็ขี้เกียจก็ไปแม่เลยขยันปฏิบัติใจลอยไหม mm hmm. หัดอย่างเนี้ยนะหัดรู้ทันมัน mm hmm. อะไรนะ <Yeah. S 1> ยากเพราเราไม่ชิน mm hmm. ไม่ว่าเถาจะเรียนวิชาอะไรนะถ้าไม่ชินก็ยากทั้งนั้นะนะนะรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งใจมันเคลื่อนไปและ เอาแนนส่งกันบ้านไหมไงภาวนาเป็นไงบ้างฮมมันมันดียังไงล่ะเออดีแล้วไม่เครียดก็ดีแล้ว คือปฏิบัติทำนะเบื้องต้อนอ่ะก็ปฏิบัติให้มันมีความสุขนะยังไม่บรรลุอะไรก็มีความสุขไว้ก่อนอยากบรรลุก็ไม่บรรลุแล้วมีความทุกข์ด้วยงั้นไม่ต้องอยากบรรลุปฏิบัติอย่างงัให้มันทุกข์น้อยๆนะเอาตรงนี้ก่อ น, นอใจมันหนีไปละทราบไหมแมวไม่ซึม ตื่นๆๆออกมาเลยเ <can> ฮ<ะ>้อโอยง่ายๆอย่าไปดูมันแม้ <can> แค่นี้ก็หลุดแล้วเนี่ย <can> <laughs> แล้วคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะอย่าให้ซึมลงไปข้างล่างใจเราหนีไปซ้ำไหมเ <laughs> นี่ยหัด่างเนี้ยนะมันหนีไปแล้วเรารีบรู้ไวๆคนในโลกนี้นะใจหนีทั้งวันเลย ไม่เคยอยู่กับเจ้าของเลยนะไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะงั้นพอใจเราหนีไปเรารีบรู้ไวไๆ ห, หัดรู้ไปเรื่อยตอนนี้เรายังไม่ต้องเจริญปัญญาเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนใจมันหนีรีบรู้ไววถ้าใจตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวปัญญามันก็ตามมาเองหนีที่คิดทราบไหมตรงนี้ เอาคนนี้หลบสนิทเลยเพิ่งเห็นเนอะโตเวียดมันจะได้เห็นหน่อยไงรู้เรื่องหรือยังเอออย่างงั้นก็ยังดีนะเห็นครึ่งหนึ่งก็ยังดี ตอนที่เราสบายใจมันดูยากอารมณ์มันเบาเวลาทุกอารมณ์มันหยาบมันดูง่ายเวลาทุกังใจมันมีโทสะกิเลสตระกูลนี้ดูง่ายแต่พอสบายใจเนี่ยจะดูยากมันจะเผลอเพลินนะคําว่าเผลอเพลินนี่ภาษาแขกเรียกว่านันทิราคะเพลินเพลินเพลินเแล้วก็เลยไม่ดูงั้นเริ่มต้นเราก็ดูได้ของหยาบ ก, ก่อนก็ถูกแล้ว ขยันสังเกตไปเรื่อยต่อไปสบายๆก็รู้หน่อยใจมัวลงหน่อยหนึ่งเนี่ยโมหะแทรกนิดหนึ่งก็เห็นนีแ่แหละค่อยๆฝึกสภาวะไหนที่เรารู้จักแล้วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นสติก็เกิดโยไม่นั่งหลับในนะโยตื่นลืมตาเออหายใจเอาให้สดชื่นฮะทำไมนะ ออ oh, ชอบลองเอ๊ะ <laughs> ชอบลองอยู่ตลอดอะเนอะ uh, เออนะแล้วก็ลืมตาไว้นะลองไปอ่านพระไตรปิฎกสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหลับตาสักหน่อยนะบอกเอาภิกษุทั้งหลายนะให้เธอคู้บันลงังตั้งกายตรงดำงรงสติเฉพาะหน้านะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวอะไร ไม่ได้บอกพลิกสูตทั้งหลายคู่บัรลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วหลับตาด้วยนะแต่ไม่ได้บอกเพิ่มหน่อยเราบอกเองให้ลืมตานะเรารู้สึกพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้สิทธิฤาษีแต่ว่าเวลาเราภาวนาถ้าจิตรวมนะตามันก็หลับเองะอรู้สึกไว้นะสึกตัวไว้เนี่ยเราดูเขารู้ไหมใจเราวิ่งไปที่เขา อรู้สึกนะอย่าให้เข้าไปข้างในที่หล่อสอนให้ตามรู้นี่นะถ้าสลวงเรารู้หรือเราไม่พอใจเนี่ยนะเราควรจะเราตามรู้ทันเราควรจะระงับอารมณ์นั้นเ่ยคือรู้เนี่ยมีหลายระดับนะอันแรกบางทีเราโกรธไปรู้ไปก็มีอีกอันหนึ่งถ้ารู้แท้ๆเนี่ยพอรู้ปั๊บเนี่ยความโกรธจะหายไปเลยแล้วนะคุณสังเกตตรงเนี้ยว่ารู้มีสองอันอันหนึ่งรู้แบบที่จิตไหลเข้าไป ใจลงไปจ้องลงไปแช่ถ้ารู้อย่างนี้โทสะไม่หายอะแต่แต่ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่เพราะพอรู้ว่าตกรธปัป๊บใจตั้งมั่นปัป๊บเนี่ยความโกรธจะหายไปเลยเพั้นสติตัวจริงๆเกิดเนี่ยจะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสใครสังเกตนะอย่างเวลาเรารู้ความโกรธก็มีหลายแบบอันหนึง่งที่แย่ที่สุดเลยรู้ไปด้วยแล้วก็ความโกรธแต่จิตก็เกาะเป็นก้อนเดียวกัน อีกอันหนึ่งรู้ไปนะความโกรธอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้เหมือนแยกกันอยู่นะอีกอันหนึ่งใจไม่ถลำลงไปดูเลยใจหลุดออกมาอยู่ต่างหากหลุดออกมาอยู่ข้างนอกมาอยู่ที่ความรู้สึกโกรธตรงเนี้ความโกรธไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราฝึกเนะี่ยฝาถึงขั้นสุดท้ายเนะี่ยพอรู้ความโกรธปุ๊บจิตจะถอดถอนลงมาความโกรธไม่มีนะแล้วจะหลุดขึ้นเป็นชั้นชัน้นี่อย่างที่แรกแรกหกักบางคนก็สงสัยเอ้ยมีสติไปด้วยมีโทสะไปด้วย นียในตำราบอกไม่มีกิเลสกับสติเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้าตำร า, าพูดถึงเอ็กซ์ตรีมเลยพูดถึงตอนที่จิตมันมีสติสมบูรณ์จริงๆมันจะหลุดออกมาคล้ายๆตอนที่เรารู้สึกตัวตอนที่เผลอแล้ว ร, รู้ว่าเผลอตรงนี้ดูออกไหมนี่ตรงนั้นจะไม่มีเผลอนึกออกไหมอย่างเราเผลออยู่พอรู้ว่าเผลอลปลุ๊บเผลอล่วงหายไปแล้วกลายเป็นรู้สึกทํานองเดียวกันถ้าโกรธแล้วเกิดรู้ว่าโกรธนะโกรธจะล่วงหายไปเลยแล้วก็รู้สึก นี่ยจะกลับมาที่รู้สึกแต่ถ้ายังมันยังไม่หลุดไปเลยจิตเรายังถลำอยู่มันก็จะเห็นว่าโกรธอยู่ด้วยรู้อยู่ด้วยอันนี้ก็ยังดีนะบางทีก็เห็นว่าโกรธกับจิตเนี่ยรวมกันบางทีจิตก็แยกออกมาแต่โกรธก็ยังอยู่อันนี้เพาสติสมาธิปัญญาเรายังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์จะเหมือนตอนที่เราเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอจะหลุดปั๊บเลยเผลอจะก็เด็นหายไปเลย กิเลสอื่นๆก็จะหลุดหายไปแบบเดียวกันดูอย่างนี้ดูความรู้สึกอยากของเราอยากหลุดออกมาอยากหายโกรธอยากหายกลุ้มดูที่อยากเขาจะไปดูที่ตัวอื่นอย่างมันกลุ้มใจกลุ้มใจแล้วถาไปเห็นมากลุ้มเนี่ยนะถาดูลงไปเห็นวัามันอยากหายกลุ้มเนี่ยดูที่ความอยากหายกลุ้ม พอใจของเถาเป็นกลางปุ๊บความกลุ่มจะ ก, กระเด็นไปเลยแล้วดูที่ความอยากของเ้นดูเข้ามาให้ถึงความอยากในใจความอยากเนี่เป็นตัวสมูทชัยมันทําให้เราไปเกาะไอ้ความกลุ้มเอาไว้าไม่ได้ไงแต่แล้วทีแรกก็หัดสังเกตสภาวะว่าจิตใจที่อยากมันเป็นยังไง แต่ต่อมาพอความอยากมันเกิดเนี่ยสติมันเกิดอย่าไปเที่ยวหามันนะเช่นกําลังกุ่มใจอยู่ก็รู้ความกุ่มอยู่เสร็จแล้วก็เอ๊ะมันอยากหายกุ่มเนี่ยเห็นหลวงพ่อบอกว่าให้ดูความอยากแล้วเที่ยวหาอยไงว่าความอยากอยู่ตรงไหนอย่างนี้หลงเลยเอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้ามันกุ่มอยู่แล้วเกิดฉเฉลียวใจฉเฉลียวใจนิดเดียววิ่งนี่อยากหายอยู่เนี่ยดูตรงพอฉเฉลียวใจมาดูความอยากนะมันจะหลุดไปเอง แต่ถ้าจงใจไปเที่ยวหาว่าความอยากอยู่ตรงไหนเนี่ยจะหาไม่เจอกําลังหลงอยู่ตอนนั้นหลงหลงมากกว่าเก่าอีกงั้นอย่าไปอยากอย่าไปสแสวงหานะอยสแสวงหาแต่หัดรู้สภาวะอันนี้แค่บอกใคล้ายๆเฉลยข้อสอบอ่ะให้คล้ายเฉลยข้อสอบว่าดูให้ถึงความอยากนะแต่อย่าเที่ยวหามันนะเถาา เนี่ยเเถวแค่จำไว้ว่าดูให้ถึงความอยากต่อไปพอคลุ่มใจเนี่ยเดี๋ยวใจมันจะค่อยๆเฉลียวมาดูความอยากเองเนี่ยหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยหัดหัดอย่างเนี้ยหัดสังเกตสภาวะเผลอไปคิดเป็นอย่างนี้เผลอไปดูเป็นอย่างนี้เผลอไปเพ่งเป็นอย่างนี้นะหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อย หรือเราเจอเพื่อนเราอยากคุยเราเห็นความอยากดันขึ้นมาในหน้าอกเราเนี่นี่หัดดูความอยากนะค่อยๆฝึกเดี๋ยวพอเราเห็นสภาวะหลากหลายสติก็เกิดทีดยิบขึ้นมาเลยเพราะงั้นเราก็หัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆเพราะด้วยวิธีคอยตามรู้ตามสังเกตไปว่าจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงจิตใจขณะ น, นี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ค่อยรู้ไป เหาดูออกไหมใจตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันแต่ละช่วงแต่ละช่วงอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้กับเม่กี้ก็ไม่เหมือนกันละวเห็นไหมต้องค่อยค่ อ, คอหัดนะถ้าไม่เห็นสภาวะทำนิพพานไม่ได้อ่ะลุกขึ้นมาตื่นไม่ลงไปนอนแช่เออมันไม่ขึ้นใช่ไหมง่ายมากเลยหันไปดูอะไรก็ได้ อ๋อถ้าถ้าแกล้งอย่างนี้นัไม่ขึ้นนะสมมติ ว, ว่าใจเราติดอยู่ข้างในแล้วแล้วจะแกล้งดูอันอื่นแล้วแกล้งอย่างนี้ไม่ขึ้นอ่ะอ <laughs> กิเลนนั้นเราหลอกมันไม่ได้มีแต่มันหลอกเราต้องใจถึงอย่าไปดูมันมัน <laughs> ไม่ง่ายนิดเดียวถูก oh, yeah. เราแกล้งดูไงเราเรากล่าวว่าถ้าดูวันนี้เราจะขึ้นมาเห็นไหมเราทําได้อยากอ่ะอยากให้ขึ้นถ้งนั้นอย่าไปดูมันหันมาดูกายหันมาดูอะไรแทนแล้วอย่าไปจ้องใส่ตรงจุดนั้นเ น, น, นี้่ยขนาดเนี้ยตอนพูดไปรู้ไหมหายใาเงียบเงีบเงียบเนี้ย เนี่ยเรหัดอย่างเงี้ยเนี่ยพยกักหน้ารู้สึกนะก็อถืปก็ลงไปเออเนี่ยเราเคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวไว้พยักหน้ารู้สึกเนี่ยนะเนี่ยหัดอย่างนี้ไปเรื่อยเรืยมันจะได้ไม่ไหลเข้าไปพยักหน้าเรารู้สึกแล้วห็นมเริ่มตั้งใจแล้วเหหมเริ่มทาใจให้นิ่งอีกแล้วมันเป็นเองะมันเคยชินใจจะไหลไปตามตามเคยชินมันลงได้มันก็ขึ้นได้ นะเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ลงนะเริ่มขยับผิดจะให้มันเข้าที่แล้วอย่าไปขยับมันอ่านะนะบางคนเดินยังลงไปเลยพอเดินนานๆแล้วซึมลงไปเลยแล้วเดินได้สามวันสามคืนเล ย, ยเดินอย่่งั้นอนะ ภูมิใจอีกนะเดินโต้รุ่งได้พระพุทธเจ้าลงบอกว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นโทษเท่ากับมิจฉาทิจิเลยไก่ลอยแล้วโย่ไก่หนูนาพอชักตื่นแล้วเลยเลื่อนมานนั่งข้างหน้า นะใจหนีไปอโอดีนะฝึกได้อย่างเงี้ยฝึกง่ายง่ายอย่างเงี้ยอย่าตั้งใจนะฝึกเล่นเล่นทำเล่นเล่นเราต้องไม่ตั้งใจทำได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่านั่งเฝ้าเอาไว้นั่งเฝ้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปติดเหมือนคนอื่นติด นะนิ่ใจเราเนี่ยเราคอยสังเกตให้ประนีตขึ้นมันแอบไปทํางานอะไรบ้างไหมเช่นมันยังมีการประคับประคองอยู่หน่อยๆอยะไรเงี้ยนะมีความจงใจทําอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็รู้ทันแต่ไปไอ้ความปรุงแต่งเนี่ก็จะหายไปนะใจก็จะเป็นตัวของตัวเองจริงๆพอเขาเป็นตัวของตัวเองเราไม่เข้าไปแทรกแซงเขาเนี่ยเรียกเราจะไปรู้ตามความเป็นจริงนะถ้าเรายังคอยประคองเขาอยู่นิดนึงเนี่ย เวลาอะไรมากระทบเนี่ยเขาเกิดปฏิกิริยาไม่เต็มที่อะคล้ายๆจะแตะแล้วก็ยังยักยักยั ก, ยกไม่กล้ากระทบอะไรหรอ ก, กค่อยประคับประคองหน่อยๆใครรู้รู้ทันดูออกไหมัมนยังยังไม่ปล่อยทั้งหมดดูออกไห ม, ไมดีดีถ้าทราบไม่มีปัญหาละปัญหาอยู่ตรงที่จับไว้แล้วไม่เห็น เถาใจลอยไปแล้วเถารู้จักใจลอยแล้วใช่ไหมนะได้หนึ่งสภาวะแนละ้วใจลอยนะเอาอีกแล้วอย่าไปดูมันไปดูอย่างอื่นลืมมันไปเลยนะลืมเรื่องปฏิบัติได้ไหมใจถึงไหมดูทีวีก็ทำใจนี้นะ แล้ว <c oughs> บอกไม่ได้ปฏิบัตินะนะเห็นนางอิจฉามาเฉยนะเห็นพระเอกแสนรอเฉยเห็นผู้ร้ายก็เฉยเฉยหมดเลยอย่างงั้นดูละครไม่สนุกเออต้องอย่างนี้นะจริงๆมันอยู่ข้างนอกเนี้ยอยู่ตรงนี้เองเหรอไม่ได้อยู่ข้างในซึมซึมอยู่ แม้เราเริ่มขยับใจเข้าไปหน่อยหนึ่งละเนี่ยเริ่มรู้ทันตั้งแต่ตรงนี้เลยรู้ทันตั้งแต่ต้นทางซะเออนาะฝ่ายรู้ไปไม่ไม่ต้องกลัวนะอย่าเป็นเรื่องปฏิบตัติพอเราคิดถึงปฏิบัตินะเราจะทำใจเราให้เข้าที่อะ่ะค่อยๆปรับปรับรับเอานิ่งๆแล้วก็ปลุกเข้าข้างในไป เนี่ยสภาวะอันนี้ดีงั้นทะเลาะ บ, บ่อยๆทะเลาะกับพี่อานั่นแหละเขาเป็นพี่เราเขาไม่กลัวเราจริ ง, ร เ, องรเออเห็นไหมทะเลาะเขาเราเห็นง่ายเพราะอะไรเพราะเป็นอารมณ์ที่หยาบแมโทสะเป็นอารมณ์ที่หยาบส่วนในนั่งซึมเนี่ยเป็นโมหะดูยากงั้นหาเรื่องทะเลาะกับพี่สาวแล้วเขาสายหน้าลิ๊กๆเลยทั <laughs> ่วเขาไม่เอา เนี่ยลากกระเถาไว้พอจะดูออกไหมอย่างพอเราไม่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือสภาวะสองงานอันหนึ่งเผลออันหนึ่งรู้อันหนึ่งเผลออันหนึ่งรู้ฝึกอย่างนี้แต่ถ้าไหลอยู่ข้างในนี่นะเผลอลูกเดียวหละเนี่ยเริ่มซึมเข้าข้างในแล้วอืม ในโลกภู่มันหนึ่งสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยไม่ให้เฉยให้คุณสุนันมีอะไรไหมระวังถูกแฟงนะ <c oughs> คุณเฉลิมผมกขข็ภาวนาเก่งกนังนะดีแล้วนะอย่างนั้นนะทำถูกแล้วคุณเสื้อสีฟ้ามากับใครนะเอามาด้วยกันนะ รู้จับใจลอยไหมเวลาใจมันเผลอลอไปนะเราค่อยรู้ทันไวๆอย่าให้เผลอนานเนี่ยเราทำใจให้นิ่งๆแล้วทรารบไหมเราเริ่มทำเป็นสำรวมอะ่ะเราคอยรู้ทันค่อยๆหัดสังเกตสภาวะไปดีนะค่อยรู้ไปรูปกลางเป็นไง อย่าให้ใจไปไหลอยู่กับความสุขนะ อ, อให้ใจเป็นตัวของตัวเองไว้อย่าให้ลงไปอยู่กับความสุขมะนั้นความสุขมันย้อมเรานะมันเพลินสบายนะมีความสุขความสุขก็ไม่เอาเพราะความสุขมันไม่เที่ยงเอาวันนี้พออย่างวันนี้นะสมควรแก่เวลาเนาะไม่มีใครถามอะไรแล้วนี่ พูดเยอนดี